เชืถ้าเองก็ทนต่อไปไม่ได้อีกแล้วเช่นกันเขาตะโกนบอกชายันและขยินบุกเดินหน้าเห็นเมื่อไรยิงถ้ายิงไม่ทันฟาดมันด้วยตัวปืนเล ย, ล ย, ลยพร้อมกันเขาก็ก้าวพรวดพรวดนำหน้าออกไปในทันทีโดยไม่หวั่นอะไรอีกแล้วต้องการให้มันรู้ดีรู้ชั่วออกไปสักคืนนี้เลยขนาดนั้นเองขยินก็โดดเข้ามาเหนียวไหลไวร้องละล่ำละลักว่า นายใหญ่ตามหลังก็ยินระวังมันจะล่อไปตกเหวหรือไปสู่จุดอันตรายอื่นๆนี่มันล่อเราออกตามแล้วคาเตือนสตินั้นทำให้นึกขึ้นมาได้โตไลข ย, ยินบอกไปโดยเร็วว่าลุยไปข้างหน้าสะกดตามรอยพรานชดกลุงอินไปในทิศทางของเราเรื่อยๆระหว่างนี้ถ้ามันคอยดักสกัดกัน้นก็ฉามันไปทีละตัวถ้าไม่เห็นไอตัวสาคัญที่มันไรอาศัยอยู่ และถ้าระยะยังห่างอย่าเพิ่งยิงมันก่อนเพราะไงไงก็ไร้ประโยชน์มันจะแห่ตามเราไปทุกระยะไม่มันตามมาขอยรู้ไว้ว่ามันไม่กล้าเข้าใกล้เราแน่ขยิ่งแยกเขี้ยวถือปืนที่บรรจุกระสุนชุดใหม่พร้อมออกเดินนําหน้าไปในทันทีพร้อมกับสังเกตภูมิประเทศไปพลางอย่างไม่ไว้วางใจบัดนี้ทุกคนไม่กลัวการบุกเข้าโ จ, จมของเหล่าไอ้ผีดิบอีกแล้ว แต่คอยระมัดระวังจุดดักล่อโดยอาศัยให้ธรรมชาติของป่าเป็นเครื่องสกัดกั้นหรือส่งพิษภัยมาให้เท่านั้นชั่วไม่กี่อึดใจเท่านั้นที่ทั้งสามตะลุยกันไปในทิศทางเพื่อหมายติดตามบุคคลสาบสูญทั้งสองต่างก็ต้องชะงักลงกับที่มีเสียงไร้นแผดสนั่นวันไหวดังมาจากป่าทึบเบือ้องพร้อมกับเสียงร้องตะโกน เอามันผมกับลุงอินกลับมาแล้วระวังจะยิงถูกกันเองด้วยทั้งสามจำได้อย่างแม่นยำคุ้นหูที่สุดนั่นเป็นเสียงของอนุชาวราริสมันไม่น่าจะห่างออกไปนะักเชษฐากชัยันอุทานออกมาอย่างดีพร้อมกันว่ากลา้างขยิงขยับจะวิ่งเข้าไปหาตามทิศทางเสียงนั้นพร้อมทั้งกูตอบแต่เชษฐาปัดขายขมามหน้าล้มหมอบลงกับพื้น ตัวเขาเองก็ชุดชัยยันให้หมอบลงด้วยหยุดหมอบก่อนอย่าเดินเข้าไปประเดี๋ยวก็ถูกปืนของต่างกับลุงอินเขาหรอกใช้ไฟฉายส่องเป็นสัญญาณไว้นั่นเป็นไหวพริบที่ทันต่อเหตุการณ์ที่สุดของหัวหน้าคณะทั้งขยินและชัยยันหมอบลงทันทีต่างฉายไฟกราดวูบว่าไปมาพร้อมทั้งคอยกูให้เสียงไว้ ขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงป่าแตกครืดด้วยการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วรอบด้านเหล่าอสุรกายมาัมมี่ของมันไรเริ่มเคลื่อนไหวแผลหนีอย่างกระทันหันแล้วเพราะการย้อนตลกเข้าตีโดยทางด้านหลังของอนุชาและหนานอินซึ่งยืนเป็นจังหวะเว้นช่วงห่างเป็นระยะระยะไปอันน่าจะหมายถึงว่าทั้งสองพบเป้าหมายถนัดเมื่อไรก็จะสอดกระสุนเข้าใส่เมื่อนั้น แล้วก็มีเสียงตะโกนเรียกให้สัญญาณใกล้เข้ามาตามลำดับระหว่างนี้หินก้อนโตๆโตรวมทั้งขอนไม้ชนิดที่ถ้าถูกร่างกายก็พิการหรืออาจถึงตายได้ถูกระดมเวียงเข้ามารอบทิศเสียงดังอยู่โครมกรามตบปับบป๊บตบปั๊บห่างตัวบ้างใกล้ตัวบ้างทำให้ทั้งสองต้องร้องลั่นและพยายามกลิ้งตัวเข้าหลบยังแหลงที่คิดว่าน่าจะใช้กาบังได้ ไอ้ผีดิบพวกนั้นทำอะไรเขาไม่ได้ในขณะ น, นี้มันก็เริ่มใช้วัตถุทางธรรมชาติโจมตีเท่าที่มันจะทำได้แต่ชั่วอึดใจของการระดมทุ่มใส่หรือคว้างปลาออกมาจากแนวป่าที่มันเร้นตัวหลบอยู่สภาพนั้นก็สั่งซาไปเพราะพวกมันพละหนีเร้นห่างออกไปหมดด้วยการตลบหลังย้อนกลับของอนุชาและนานอินซึ่งฝ่ายสามคนทางด้านนี้ ยังไม่ทราบว่าทั้งสองผู่มาจากด้านไหนแต่รู้ว่าทั้งสองนั้นไม่ได้รับอันตรายอะไรแน่นอนจากการตะโกนให้เสียงและเสียงระเบิดสนั่นของปืนที่ยิงกระเดเข้ามาบางนัดกระทบโขดหินฉลับบีดบื้ออย่างน่ากลัวและบางนัดก็กระทบกิ่งไม้ย่อมย่อมหักทับฟาดโครมครามในความเงียบสงบของราตรีฉ่าน้า ป่าทั้งป่าแตกลงแล้วด้วยอานุภาพของลูกปืนที่สะเทือนเลื่อนลั่นนัดแล้วนัดแล้ไม่ถึงหนาทีเท่านั้นทั้งสมก็มองเห็นลำไฟฉายสาตอบมาจากป่าทึบระดับต่ําลงไปเมื่อฉายไฟสวนก็มองเห็นร่างของคนทั้งสองพากันเดินไตาทางขึ้นมาอย่างเร่งรีบอนิชาเดินนำหน้านานอินติดตามมาเบื้องหลังติดๆ บนหลังของแกแบกถุงอะไรชนิดหนึ่งมาดูทั้งสามคนฝ่ายนี้ก็ลุกขึ้นยืนทันทีพร้อมตะโกนเรียกอนุชาและหนานอินตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วเห็นจากอาการบุคคลทั้งสองปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรทั้งสิ้นและสิ่งที่หนานอินแบกมาบนหลังก็คือหีบเครื่องเวชพันธ์ของคณะทั้งหมดนั่นเองมันพินลบไปหมดแล้วครับ รถ ก, กลับไปยังตำแหน่งที่ผมก่อไฟไว้ดีกว่าพี่ใหญ่ชยันเคยยินไงทุกคนเรียบร้อยดีไม่ใช่หรือครับอนุชาร้องถามโดยเร็วสภาพของอดีตแฟนชุดยั ง, แ, งแข็งแรงและคล่องแคล่วชับไวอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันน่นอีกเรียบร้อยแต่เคยยินนี่เกือบขอหักไปแล้วดีแต่ช่วยกันไว้ได้ทันเชิดถาตอบการพูจาสวนกันไปมา ด้วยคำสอบซักฐานดำเนินไปอย่างรวดเร็วที่สุดทั้งสองฝ่ายที่จริงถ้าเชื่อมือผมกับลุงอินก็ไม่ควรจะเสี่ยงตามผมพวกมาเลยมันรอดักรอพวกพี่ใหญ่อยู่แล้วความจริงไม่ต้องเป็นห่วงทางด้านผมหรอกคอยระวังทางด้านพี่ใหญ่ไว้ก็แล้วกันไอ้เวลากลางคืนแบบนี้มันเสี่ยงอันตรายที่สุดในการที่จะออกมาเผชิญกับพวกมันแล้วมันก็พยายามจะหลอกล่อให้ออกมาเป็นเหยื่อมันให้ได้ อนุชาพูดเตือนพี่ชายและเพื่อนครับดวงการของอดีตพลานชดไม่สู้จะมีอะไรตื่นเต้นตกใจนักผิดกับอีกฝ่ายนึงแล้วก็บกมือเ อ, อ่ยรีบร้อนต่อไปว่าเอาไปเราเดินกันไปแล้วก็คุยกันไปพลางแล้วก็ได้นี่นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นในสภาพไหนเนี่ยเราได้ยินเสียงปืนทางด้านเธอแล้วก็ลุงอินแล้วก็เงียบหายไปเฉยเฉยเรียกวิทยุมาก็ไม่ได้ยินเสียงตอบ ก็เลยต้องเสี่ยงตามลงมายิงมาพบหลักฐานตรงบริเวณที่เธอสองคนก่อไฟไว้หาตัวไม่พบมีแต่รอยยิงปืนแล้วก็รอยออกเดินลึกเข้าไปในดงมีรอยของไอ้ผีรายเต็มป่าไปหมดเราก็ต้องตามต่อไปสิ <c oughs> น้องชายหัวรอด <c oughs> ในลำคอยังไม่ตอบว่าอะไรในระหว่างที่พากันเดินอย่างเร่งรุดกลับไปยังที่พักชั่วคราวแต่นันอินบอกมาว่า ในายใหญ่เรากําลังก่อไฟพักกันอยู่อ่ะไอ้มันไรก็พวกมันก็โผล่มาล่อเห็นว่าปับ๊บแวมอยู่ตามก้อนหินพรานชดก็เลยยิงเค้เกะไปตัวนึงแล้วตามยิงไอ้ตัวที่มันไรเข้าสิงนานอินก็เลยวิ่งตามอีกคนพวกมันที่รอยอยู่ก็โผล่มาคว้าหีบยาของนายหญิงพาหนีมันรู้ว่าหีบยาเป็นของจําเป็นของพวกเราทั้งหมดก็เลยฉวยออกไป เราก็เลยต้องออกวัดตามไล่ยิงมันไปเรื่อยๆกว่าจะทามทันก็นูน่นกลางดงว่านผีปอบในดงทึบนุน่นมันทำอะไรพรานชดกันนานอินไม่ได้หรอกยังดีก็แค่ลอกล่อให้ตามโดยพาหิบยานหนีพรานชดสงขาวติดต่อมันไม่ได้เพราะทำวิทยุตกไว้ตรงที่มันเข้าโจมตีครั้งแรกบริเวณที่พักไงนันอินบอกลกๆคร่าวๆ โดยเสียงอาการเหน็ดเหนื่อยของแกนี่มันไม่ได้ทําอะไรทั้งสองคนแน่นะเรานึกว่ามันเล่นงานสองคนย่ําแย่ไปแล้วอย่างน้อยที่ถูกยืดตัวไว้แล้วอ่ะ <c oughs> นานอินหัวรอด้วยเสียงเย็นเย็นเอื่อยเอืยของแกโธ่ไนยายมันจะทําอะไรนานอินกับพรานชดได้จะมีก็แต่คว้าหีบยาหนีถูกโป้งความ เห็นมีตัวไหนถูกกระสุนและจะกระดิกได้ซะตะวันตอนที่ได้ยินเสียงปืนของพวกนายใหญ่ทางนี้เราก็ทายแล้วไม่ผิดว่าโคงตามมาและประทักกับพวกมันที่ย้อนตลบหลังมาดักพอตามอาหีบยาคืนมาได้ก็เลยรีบย้อนศูนย์กลับมานี่แหละพวกมันกําลังล้อมเจ้านายอยู่ไม่ใช่หรอใช่เรากําลังถูกล้อมมาโชคดีมากอะ่ะที่คุณพระช่วยเรา ทำไมได้ปืนกระลุงลูกปืนลงพุตะคุณไว้ก่อนมาตอนหัวค่ำที่แล้วเราคงถูกมันฉีกเปชิ้เนเล็กชิ้นน้อยแล้วแต่ถึงยังไงก็ขยินก็แทบแย่ไนงะทั้งคณะรวมแล้วเป็นห้าคนเดินซักถามผู้จากันไปพลางบ่ายหน้ากลับจุดหมายเดิมขณะนี้ไม่มีสัญญาณอันตรายใดๆเหลืออยู่อีกแล้วมันไตรและบริวารของมันอันตรธานไปหมดแล้ว หรือถ้าหากจะยังอยู่ก็หลบดูลาดเราก็หากล้าที่จะพลูวี่แววออกมาให้เห็นไหมเอาไว้ถึงที่พักครึ่งทางตำแหน่งที่ผมกับลุงอินก่อไฟไว้ก่อนนะครับจะเล่าให้ฟังโดยละเอียดว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงแต่ไม่ต้องห่วงหรอกผมกับลุงอินไม่เป็นอะไรหรอกถ้าหากมันบอกว่ามันยึดผมกับลุงอินไว้แล้วนะก็เป็นเล่ห์อุบายโกหกของมันที่จะทําให้ฝ่ายของพี่ใหญ่นะ่ะฝันเสีย ตกเป็นเบีย้ยล่างจุดประสงค์ของมันก็คือต้องการเข้ามาแย่งเอาหีบเวชภัณฑ์ของเราไปแล้วก็สร้างความปันป่วนภาวะพวัพวงทางด้านพี่ใหญ่แต่นี่ผมก็ตามจวกจนได้คืนมาแล้วไงอนุชาตับบดบทแต่ชายันก็เอ่ยต่อไปว่าเราเป็นห่วงแกสองคนแทบแย่นะตอนที่ลงมาพบบริเวณที่พักว่างเปล่ามีร่องรอยของการต่อสู้ชุลมุน ขนาดวิทยุยังตกอยู่กับพื้นอีตอนนั้นนึกว่าแย่ไปแล้วคุณชายกลางอดีตนักผจญภัยชั้นเยี่ยมยอดตกไหลชัยยันโดยตรงเออขอบใจที่อุตส่าห์ลงมาตามอ่ะพวกแต่ตามลงมาก็นั่นแหละพวกแกนะ่ะอันตรายมากกว่าฝ่ายฉันละอีไอพวกเปรตนรกไม่รู้จักผูดจักเกิดพวกนี้นะ่ะมันร้ายกาจรจริงๆแต่ฉันกับลุงอินก็พอจะแก้ลมันตกเป็นเปลาะปละไป ทุกคนอุ่นใจได้เรื่องก็คือปืนและลูกปืนที่ประพรมน้ำมนของเรานะ่ะมันได้ผลจริงๆโครมไหนโครมนั้นไม่มีวันจะลุกขึ้นมาได้อีกเลยแม้เพียงแค่เฉียดนี่ก็พิสูจน์ได้แล้วว่ามันเอาเราทุกรูปแบบเท่าที่มันจะทำได้ทีเดียวถ้าทุกคนอดใจรออีกนิดหนะึ่งไม่จำเป็นต้องลงมาตามให้เสี่ยงโดยใช่ที่แบบนี้พะฉันกับลุงยินตามหีบยา ก, กลับมาได้และกลับไปถึงที่พัก ก็จะวิทยุส่งข่าวบอกขึ้นไปแต่นี่ถูกลงตามลงมาเนี่ยก็เลยถูกมาเล่นตลบหลังเขาให้อีกชุดหนึง่งเกือบเสียท่าไปแล้วไหมล่ะอะไรก็ไม่สําคัญที่ว่ามันจะล่อให้ไปตกเหวล่อเข้าไปในดงไม้อันตรายหรือล่อไปฝังซะทั้งเป็นโชคดีเท่าไราแล้วที่มันไม่ได้กองทัพช้างป่าเข้ามาเล่นงานกับเราตอนนี้เพราะน้ําเขื่อนแตกไหลาบาลงมาเป็นอุปสรรคอยู่ไม่งั้นพี่ใหญ่ ใชยันแล้วก็ขยินย่อยยักไปแล้วอย่างน้อยพี่ใหญ่ก็ยังไหวดีอยู่บ้างละที่เอาขยินเป็นผู้นำทางลงมาด้วยในเวลากลางค่ากลางคืนแบบนี้ก็ท า, าไมจะคนชำนาญป่าจริงๆแล้วขึงนออกจากที่พักมาก็มีแต่ทางตายทางเดียวเท่านั้นประโยคหลังอนุชาดูเหมือนจะบ่นตำหนิฝ่ายที่ออกมาตามนี่มีข่าวเรื่อแคระคายอะไรเรื่องน้อยมั่งไหมเนี่ย ขณะที่ก้าวข้ามลำธารเข้ามาสู่หมู่โขดหินใกล้จะถึงที่พักพี่ชายใหญ่ก็เ อ, อ่ยขึ้นมาแผวต่ําอนุชาผู้เดินจำพรดูดพรดอยู่เบื้องหน้ามีสีหน้าสลดุดเขี่ยมเกรียมอยู่ในเงามืดไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วก็ตอบด้วยเสียงที่พยายามจะให้เป็นปกติว่ายังครับเห็นจะต้องรอให้ตะ ว, วันขึ้นสะ ก, ก่อนแล้วก็คิดกันอีกทีหนึ่ง เรารู้แน่ๆกันเฉพาะแต่เพียงว่าพวกเราที่เหลืออยู่สิบห้าคนมันยังทำอะไรไม่ได้ทั้งๆที่พยายามจะเล่นงานเราทุกวิถีทางตอนนี้เราตามหีบเวชพันธ์ของเรากลับคืนมาได้ก็ควรจะพอใจในขั้นแรกก่อนแล้วชิบหายเล่นจ้องปัจจัยสำคัญในการเดินทางของเราซะด้วยประโยคหลังอนุชาสบทอุบอิดในลำคอ เชฐาชายันเงียบกริบพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะดารินวราฤทธิ์ยังเป็นปริศนาอันดำมืด อ, อยู่ตามเดิมดูเหมือนจะดำสนิทยิ่งกว่าราตรีกลางไพรนรกนี่ซะอีกชั่วไม่นานบุคคลทั้งห้าก็ย้อนกลับมาถึงตำแหน่งที่อนุชาและนานอินก่อไฟไว้ เพื่อเป็นที่พักชั่วคราวสิ่งแรกที่ทั้งหมดกลับมาถึงก็คือเร่งเพิ่มกองไฟที่กำลังจะมอดดับให้ลุกสว่างขึ้นอีกเชษฐาใช้ ว, าชาวิทยุส่งข่าวให้ในายชวนผู้เชื่อว่ากำลังรอฟังข่าวอยู่แล้วก็คงจะได้ยินเสียงปืนที่ยิงสนันไปทั้งโดงหลายนัดเพื่อคลายกังวลว่าเหตุการณ์ทางเบื้องล่างอยู่ในสภาพปกติลงแล้วขอให้คลายกังวลได้ให้ทุกคนยึดที่มั่นและระวังตัวอยู่ที่เดิมก่อน สำหรับตนชัยยันและขยินจะสมทบกับฝ่ายของอนุชาและนานอินกรซึ่งหัวหน้าลูกหาบก็เข้าใจในคำสั่งเขาเป็นอย่างดีรับปากที่จะปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดอนุชาเข้าไปตรวจดูที่ซากของไอ้ผีดิบที่เขาเป็นคนยิงคว่ำคาซอกหินอีกครั้งซากของมันยังอยู่ที่เดิมแสดงว่ามนตราอาคมของมันไร ไม่สามารถจะส่งเข้ามาบงการอย่างซากนี้ให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติการอย่างใดได้อีกทั้งสิ้นที่ปรีตัวนี้แหละที่โผล่เข้ามาใกล้ชิดผมที่สุดมันพรวดเข้ามาทางด้านหลังผมระหว่างที่จ้องระวังซากที่มันไรเข้าสิงซึ่งลับลับล่อๆ อ, อ, อยู่ในซอกหินตรงนน่นตอนนั้นลุงอินย่องไปอีกทางเพอผมไหวตัวก่อนที่มันจะคว้าก้านคอได้หันขวบมาไรเฟิลแย่อกมันพอดี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 หรืยิงไอ้ตัวสุดท้ายที่แบกขีดยาหนีคว่าไปอีกตัวนึงแล้วก็ยิงสกัดตัวอื่นๆไม่ให้เข้ามาักไล่หีบยาอีกจากนั้นก็ช่วยกันแบกขีดยากลับมาพอหันกลับเท่านั้นแหละทางพี่ใหญ่ก็ใช้ยันและขยิ่งก็ยิงกันหูดับตับไหมผมก็เลยรู้ว่าคงจะตามลงมาแล้วถูกมันล้อมเล่นงานเขาให้แล้วแต่ก็ยังอุ่นใจที่เชื่อมั่นได้แน่นอนว่ากระสุนของเราตะลานัดถ้ากระสบกระทบซากของพวกมันตัวไหน ตัวนั้นจะหมดฤทธิ์ทันทีสำคัญว่าทัตตลุมบอน่จะยิงได้ทันหรือไม่เท่านั้นเพราะถ้าปล่อยให้มันคว้าตัวได้กระดูกระเดี่ยวหักแน่อดิตพรานชดพูดอย่างแค้นแคนใช้เท้าพยายามจะเขี่ยให้ซากนั้นพลิกหงายขึ้นแต่มันไร้ประโยชน์เพราะสภาพของซากไม่ผิดอะไรกับ ง, ง่าไม้กแกรงอันมีน้ำหนักมากเจถาดึงไหล่น้องให้เข้ามานั่งร่วมกลุ่มพิงกองไฟ ซึ่งบัตรนี้ลุกสว่างโชนทั้งหมดประชุมกันอยู่ข้างกองไฟนั่นเราก็กะไว้แล้วเหมือนกันละ่ะกลางว่าถ้ายิงจนกระสุนหมดถึงขั้นตะลุมบอลเมื่อไรแล้วบรรจุกระสุนไม่ทันเราก็จะใช้กระบอกปืนนี่แหละแทนไม้พลองฟาดกับมันพี่เชื่อว่าไม่เพียงแต่กระสุนเท่านั้นนะนะแม้ตัวปืนของเราเองที่ผ่านการเข้าพิธีปลุกเสกแล้วก็คงจะแทนอาวุธสั้นล่อกรมันได้ โดยมันเข้าไม่ถึงตัวหรอกแต่ในความมืดของโดงทึบถึงยังไงเราก็เสียเปรียบมันบันยังขําอย่างที่เธอบอกล่ะเชษฐาเปิดเผยความรู้สึกของเขาซึ่งเริ่มจะคลายความตื่นเต้นลงแล้วทุกคนนั่งดับอารมณ์ด้วยการผิงไฟและบุหรี่โดยเฉพาะชา ย, ยันและข ย, ยินแบ่งแบนดีในกระติกของชา ย, ยันเองดื่มกันคนละหลายอึกอดีตนายทหารปืนใหญ่สะบัดหัวอยู่เราเรา เหมือนแทบจะไม่เชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตนเองได้เผชิญมากะตัวเมื่อยกๆยกเขาไม่แกร่งเท่าอนุชาและไม่มีสติที่สุขุมเยือกเย็นเท่าเชษฐาจะมีก็แต่ความมุทะลุและบ้าเลือดเท่านั้นหาดงเอ้นี่มันเอากับเราทุกท่าเลยนะในที่สุดชายันก็อดที่จะสบทสาบานออกมาไม่ได้นี่เราก็สรุปผลได้แล้วนะ ที่มันพยายามเข้ามาล่อหน้าล่อหลังเธอกันหนานอินจุดประสงค์สำคัญก็คือจะลักพาหีบเครื่องเวชพันของเราไปนั่นแหละหัวหน้าคณะพยายามหาเหตุผลในเหตุการเฉพาะนาหน้าใช่นายใหญ่มันไม่ได้คิดที่จะมาเล่นงานหนานอินหรือนายชดโดยตรงหรอกแต่มันจะเอาหีบยาของเราไปและมันก็รู้ว่ามันได้เปรียบกว่า ถ้าเราตามเพราะการตามในเวลาแบบนี้มันมีทางจะฆ่าเราได้หลายวิธีถ้าไม่เท่าทันมันแต่ไม่ต้องห่วงหรอกทนายชดอยู่คู่กันหนานอินเมื่อไรไม่มีเลขกลนอะไรของไอ้ผีดิบมันไรจะทำอันตรายเราสองคนได้หรอกแล้วอีกอย่างนึงมันก็คงรู้ว่าพอทางข้างล่างยิงพวกข้างบนก็ต้องทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องตามลงมา มันได้ดักเล่นงานไปพร้อมๆกันก็บังเอิญนายใหญ่นายทหารและไอ้ขยินก็ไม่โง่ไปกว่ามันดีละที่ลงมาตามกันแค่สามคนถ้าขืนยกขยงก็ลงมาหมดไม่คนใดก็คนหนึ่งคงจะเสียท่ามันเขาบ้างไงเชษฐาฝืนยิน้มจากสีหน้าอันเครียดสลดของเขาตบไหล่น้องชายและครูพรานผู้เท่าคนละข้า เราชมออกมาจากใจจริงเก่งมากเก่งมากทั้งสองคนที่ตามเอาหีบยาของเรากลับคืนมาได้แล้วก็ไม่เพียงพลั้มอะไรกับมันทั้งสิ้นพี่น่ะ น, นึกว่ามันขยี้เธอทั้งสองคนเละไปแล้วตั้งแต่ได้ยินเสียงปืนครั้งแรกแล้วก็เงียบหายไปอย่างนึกเดาเหตุการณ์ไม่ถูกจนทนฟังข่าวอยู่ต่อไปไม่ไหวต้องออกเสียงตามมาแบบนี้เอ เล่กลมัญญาของมันนี่มากเหลือเกินนะอนุชากัดริมฝีปากแน่นเอานิ้วเกาหัวคิ้วแล้วเอ่ยออกมาอย่างเสียงแตกพร่าวว่ะความจริงพี่ใหญ่ใช้ยันแล้วก็ยินก็รู้จักริษเดชของไอ้มันไรดีอยู่แล้วแล้วก็รู้จักมาก่อนผมส่วนผมกับลุงอินไม่เคยพบพะจนไทยกับมันมาก่อนเลย เพิ่งจะมาพบเห็นจักจักระสายตาในการเดินทางว่าครั้งนี้แหละแต่อาศัยว่าเคยชินกับความอาถรรพ์ลี้ลับของป่าหลงสำรวจแห่งนี้มาก่อนก็เลยพอจะเอาตัวรอดได้และเท่าที่พบมาแล้วมันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่น่าสะพึงกลัวมากแต่ผมกับลุงยินก็ไม่ยั่นต่อมันเลยยังไงก็ตามต่อไปนี้ขอพี่ใหญ่เป็นฝ่ายให้ความเห็นและชี้ขาดลงมาเถอะครับ ว่าเราควรจะดำเนินการกับมันยังไงในฐานะที่เคยผจนกับมันมาก่อนแล้วไอ้มันไตรเนี่เป็นตัวอุปสรรคสาคัญในการเดินทางของเราแล้วถ้าเข้าใจไม่ผิดเขาเว้นระยะไปนิดหนึ่งยกบุหรี่ที่ขีดอยู่ในนิ้วอัดจนแดงว่าผมว่ามันก็ใช้วิธีเล่นงานฝ่ายเราเละระพินควบคู่กันไปนั่นแหละ สุดแต่จะได้โอกาสเหมาะทั้งฝ่ายไหนและระหว่างเรากระพินผมว่ามันจ้องที่จะเล่นงานเราทีหนักกว่าเพราะมันรู้ว่าทางด้านระพินน่ะแข็งกว่าเรามากในทุกด้านเธอแน่ใจอย่างนั้นเหรอกลางเชทฐาถามอย่างตรึกตรองอนุชาพยักหน้าไปทางนานอินอันเป็นคนคู่ชีพของเขามาแต่ไหนแต่ไร พี่ใหญ่ก็ลองฟังความเห็นของลุงอินดูสิครับใช่นายใหญ่นานอินมีความคิดอย่างเดียวกันนายชดเพราะโดยแท้จริงแล้วแม้นานอินจะอยู่ในปามาตลอดชีวิตมีครูมีอาจารย์ดีสักแค่ไหนนานอินก็รู้ตัวเองว่ายังเทียบกับนายรพินไม่ได้ทุกอย่าง นายรพินน่ะฉลาดกว่านันอินครูก็แรงกว่าวิชาของคนเจริญแล้วก็พร้อมไสยศาสตร์มนตราอาคมสารพัดวิชาของมนมือแกก็พร้อมสับแทบจะไม่มีช่องว่างให้ความอาถรรพ์ของป่าใหญ่ไพรกันดานทำอะไรแก่ได้เลยถ้าแกยังมีสติพร้อมอยู่พูดกันตรงๆก็คือ นายรพินเก่งกว่านันอินมากนะักทั้งๆ ท, ที่ยังหนุ่มแน่นกว่าคราวลูกคราวหลานนันอินนั่นไปถึงเทือกพระศิวะและมรกตนครของไอ้แง้สายได้แต่กลับออกมาไม่ได้แต่นายรพินไปถึงได้ซ้ำยังเอานันอินกับนายชดรอดกลับมาได้ดูแค่นี้ก็รู้มันไรมันจะขยาดนายรพิน มากกว่าทางฝ่ายเราแน่ๆนเพราะฉะนั้นนายใหญ่อย่าไปห่วงทางฝ่ายนายรพินเลยขอยคิดถึงพวกเรากันเองก่อนเถอะน้าอินไม่แน่ใจว่าจะรับมือมันไหวตลอดรอดฟังไปหรือเปล่าด้วยซ้ำท่านหัวหน้าคณะครางพยักหน้าช้าๆมันก็อาจจะจริงนะลุงอินแต่ลุงอินก็ขึ้นชื่อว่าครูพรานคนหนึ่งเหมือนกันนี่ ลุงกลัวมาเลยนายใหญ่นันอินไม่กลัวสําหรับตัวเองหรอกแตกลัวว่าจะระวังพวกเจ้านายหรือพวกลูกหาบได้ไม่ทั่วถึงทุกคนต้องระวังตัวเองแล้วก็ต้องช่วยกันระวังกันและกันด้วยอรหันตเจ้ายืนอยู่เหนือหัวพวกเราทุกคนนะ่ะนั้นอินกลัวไรมันแล้วก็ตั้งแต่เราออกเดินทางมาเนี่ย เราก็ถูกมันเล่นงานอยู่หลายครั้งหนักๆทั้งนั้นแต่พวกเราทุกคนก็ยังอยู่กันครบส่วนทางด้านพรานใหญ่ระพินเนี่คนของเขาเราก็รู้แล้วว่าตายไปแล้วสองคนแต่ฝ่ายเรานะัะสูญหายไปคนหนึ่งคนสำคัญซะด้วยจนกลุ่มใจจะตายอยู่แล้ว ย, ยันผู้กอดเข่าสงบนิ่งซึมอยู่เป็นเวลานานระเบิดพล่งขึ้น ทำมาทุกคนงงินไปอีกวาระหนึ่งและในที่สุดเชษฐาก็พูดปลอบโยนทุกคนทั้งๆ ท, ที่จิตใจของเขาเองก็สันไหวเต็มที่ว่านั่นนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามแก้ไขต่อไปแต่ฉันมีความแน่ใจอยู่อย่างหนึ่งนะแน่ใจอะไรเพื่อนของเขาถามสวนสีหน้าทุกักงวลจัด ก็แน่ใจว่าปราบใดก็ตามที่สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตและสมเด็จหลวงพ่อวัดปากน้ำยังไม่หลุดไปจากคอของน้อยไม่มีอะไรมาทำอันตรายน้อยได้หรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมห ah ิธิอำนาจลึกลับจากเบื้องสูงมักจะคอยพิทักษ์คุ้มครองน้อยอยู่เสมอฉันเกิจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านกันมาแล้วแต่ตอนนี้เขาตกอยู่ในสภาพคราร้าย ทว่าก็ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรมากนักหรอกนานอินขยับปากเหมือนจะเอ่ยอะไรขึ้นตามความเคยชินวิตตกของแกแต่แล้วก็นิ่งสงบซะแกย่อมเข้าใจดีว่านายใหญ่และทุกคนในขณะ น, นี้กำลังต้องการปลุกปลอบขวัญและคิดหวังในสิ่งอันดีงามมากกว่าที่จะพูดหรือแสดงความเห็นใดๆไปในด้านร้าย ตั้งแต่ตอนเย็นมาแล้วพวกมันโจมตีเราหนักติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนเย็นมาจนกระทั่งใกล้รุ่งนี่ชยันเอ่ยขึ้นแทบจะลําดับเหตุการณ์ไม่ถูกทีเดียวว่ามันเริ่มจากอะไรยังไงก่อนโดยติดต่อกันมาเป็นลําดับเป็นช่วงช่วงจังหวะจังหวะไปทีเดียวทั้งด้านจิตวิทยาทั้งด้านเล่กลอิทธิริศและทั้งด้านกําลัง ฝ่ายเรานะ่ะตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบและเสียหายยับเยินเราไม่ต้องไปคํานึงถึงด้านไอ้ซากหมื่นปีที่ถูกปืนล้มเป็นท่อนไม้เหล่านี้หรอกในด้านยุทธศาสตร์แล้วไม่ถือว่าเป็นความสูญเสียของฝ่ายมันเลยเพราะมันเปรียบเหมือนหุ่นยนต์ที่มันพูดไว้ก็ถูกละว่าเราจะมีแรงทําลายหุ่นยนต์พวกนี้ของมันไปได้สักเท่าไหร่เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้จักเจ็บปวด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 ชนิดที่ยากในการจะรับมือขอยสังเกตตอนที่กลางเล่าให้ฟังรวมทั้งที่ฝ่ายเรารเผชิญมาเองทั้งๆ ท, ท, ที่มันรู้ว่าลูกปืนของเราลงอํานาจพุทธคุณมันก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรนะักอย่างกล้าที่จะเข้ามาเผชิญหน้าหลอกล่อให้เรายิงเมื่อยิงถูกมันก็ทิ้งซากนั้นใช้ซากอื่นล่อยยิงต่อไปซ้ําอย่างจ้องที่จะยึดเอาปัจจัยสําคัญในการเดินทางของเราไปซะอีก ก็เหมือนกับว่ามันไม่กลัวเราเลยเดี๋ยวถ้าหลอกกล่อซุ่มดักโจมตีอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่นานลูกปืนเราก็หมดเองนี่เป็นไปได้ไหมในกรณีที่มันรู้ว่าเจตนาของพวกเราจะมุ่งเข้าหานิทรานครอันเป็นแหล่งสูสารเก็บซากไพร่พลของพวกมันเหล่านี้รวมทั้งความลี้ลับทั้งมวลของพวกมันที่เราอาจทำลายลงซะได้มันถึงได้มุ่งโจมตีหนัก จะเอาเราให้พินาศไปซะก่อนอนุชาถามไปทางพี่ชายและชยําในฐานะที่เคยมีประสบการณ์ผ่านพบต้นแรงที่มาของความพิศดารเหล่านี้มาก่อนมันก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันนะกลางเพราะอย่างน้อยถ้าเราค้นพบซากเมืองร้างของมันได้อีกครั้งเมื่อไหร่เราก็จะอยู่ในฐานะได้เปรียบไม่มากก็ น, น้อย แต่อื่นใดทั้งหลายในขณะนี้ก็ไม่มีปัญหาให้หนักใจมากไปกว่าการสูญหายของน้อยถ้าเราได้น้อยกลับคืนมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องวาดหวั่นพลั้นครึงมันเลยและเราจะทำงานรุดหน้าต่อไปได้อย่างปลอดโปร่งใจมากขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องทำต่อไปนี้ก็คือตามน้อยพบก่อนนะครับอนุชาพูดสั้นๆง่ายๆตามแบบฉบับของเขา แล้วนั้นอินก็บอกมาเอ่ยว่าเสียดายเสียดายที่นั้นอินกับพรานชดไม่ได้ไปพบเมืองผีดิบของไอ้มันไกรพร้อมๆกับพวกนายใหญ่ในครั้งนั้นด้วยก็เลยมืดสิบด้านไม่รู้เส้นทางว่าจะมุ่งไปทางด้านไหนท่านานอินกับนายชดเคยผ่านมาก่อนแล้วมันก็ง่ายเข่าครูพรานมองไปทางถิ่น ใช้ปลายขาสกิดถามว่านิยินนอกจากนายใหญ่แล้วก็นายทหารแล้วก็มีเองอยู่อีกคนที่เคยผ่านเมืองร้างมาแล้วคนอย่างเองก็หนึ่งในอาณาจาักรไพรเหมือนกันนี่วะถ้าเองพาไปไม่ถูกหาทางเข้าไม่ได้เองก็อย่าเกิดมาเป็นไอ้ยินเลยวะในบ้านลมช้างแยกเขียวตาของมันลุกวาว อ, อ๋อลุงอิทข้าจะพยายามข้าจะพยายามนาเจ้านายเข้าถึงไอ้ศักมือร้างในในได้ไอ้โซยชารเร็วเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเป็นตัวลุเง เ, เองเป็นไอ้แง่ทายหรือเป็นพรานใหญ่ระพินมันจะง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเอาเป็นว่าเราสามคนที่ผ่านกันมาแล้วมาช่วยกันพยายามหาลู่ทางแล้วกัน รพินเราเชื่อแน่ว่าเขามุ่งเข้าหานิทรานครอยู่แล้วละ่ะปะหมอโชคดีถ้าฝ่ายเราก็เข้าถึงพร้อมกับเขาหรือไล่เลี่ยกกับเขาเราจะมีโอกาสตามทันเขาที่นิทรานครนั่นแหละสำหรับฉันเชื่อว่าถ้าเข้าใกล้บริเวณเมื่อไรถึงไงก็พอจะจำลักษณะภูมิประเทศได้ถึงเชยันก็เหมือนกันนี่เชิดถาทไมแกถึงไม่เล่าความจริงให้กลางกะลงอินฟังให้ตลอดละ่ะ ว่ามันไรพูดอะไรกับเราระหว่างที่มันล้อมเราไว้แล้วก่อนที่เราจะยิงอันเป็นการใหญ่อะ่ะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรอครับพี่ใหญ่ได้ยินดังนั้นอนุชาก็หันขวักไปทางพี่ชายพร้อมถามขึ้นมาโดยเร็วเช่ยถามมองศกตาชายันอาการชนิดนั้นทำให้อนุชา ย, ยิ่งชะงนเร่งสอบถามซักไซายมาอีก ท่านหัวหน้าคณะไม่อาจที่จะปิดบังอำพรางใดๆได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้โต้ตอบเจราจากับมันไรอันพาดพิงมาถึงดารินวราฤทธิ์และจุดประสงค์ของมันตลอดจนข้อต่อรองเขาเล่าให้หนุอนุชาฟังอย่างละเอียดที่สุดในข้อความเจราจานั้นอนดีตพรานชดฟังด้วยอาการตื่นพิสวงแล้วเป่าลมพูออกจากปาก ก็ไม่มีอะไรแปลกพิสดารเพิ่มเติมขึ้นอีกแล้วนอกเหนือจากความเป็นมาของนิทรานครและนางพยาพันธุมวดีที่ผมเคยได้รับฟังจากพวกพี่ใหญ่มาก่อนแล้วมันไม่คำอธิบายที่แน่ชัดกับพี่ใหญ่ในระหว่างการโต้อตอบหรือครับเกี่ยวกับความเป็นมาของจิตรางคนางฉันก็พยายามถามมันอยู่เหมือนกันแหละาแต่มันก็บอกเพียงแค่ที่เล่าให้ฟังไปแล้วล่ะไม่มีรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ ทั้งนั้นก็สรุปได้เพียงว่า 1. มันจะยึดตัวน้อยไว้ในฐานะเจ้าหญิงจิตราคณาที่มันอ้างว่าเป็นพี่สาวของพันธุมวดีแล้วเคยมีเรื่องเกี่ยวพันโยงใยกับมันมาก่อนในยุคนั้น 2. ถ้าฝ่ายพี่ใหญ่ยินยอมมันก็จะปล่อยยอมปล่อยตัวผมกระหนานอินแล้วก็เปิดทางให้พี่ใหญ่กลับแล้วก็บังคับให้กลับออกไปสู่โลกภายนอกเลย โดยไม่ติดตามประพินดื้อน้อยอีกอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องมันก็บอกอย่างนี้แหละพี่ใหญ่คิดไหมครับว่ามันเป็นเลขกลนโกหกหลอกลวงของมันที่ปั้นแต่งเรื่องขึ้นพี่ยังคิดอะไรไม่ถูกอะตอนนี้แล้วมันก็ยังอ้างอีกนะว่าแม้ตัวน้อยเองก็รู้ดีในอดีตชาติของตนอะ ว่ายังงั้นชยันเป็นผู้ตอบแทนอนุชาหัวรอง <c oughs> ความลี้ลับทั้งมวลพวกพี่ใหญ่เผชิญมาก่อนรวมทั้งตัวน้อยเองด้วยไอผมน่ะเป็นฝ่ายมารับฟังการบอกเล่าภายหลังและได้เข้ามาพบในคราวนี้เพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินเรื่องมินิชัยอะไรไม่ได้เท่าพี่ใหญ่และชยยันแต่ที่แน่แน่ก็คือ มันโกหกในเรื่องที่ผมกับนันอินเราสองคนตามล่ามันไปติดๆแล้วก็ไม่ได้เสียทีอะไรมันเลยเราตามไปเพื่อจะเอาหีเพื่อชะพันคืนและก็คืนมาได้จนได้แต่มันกลับอ้างเป็นข้อเสนอกับพี่ใหญ่ว่ามันจะปล่อยตัวผมกับนันอินกลับคืนมาให้ข้อนี้พี่ใหญ่ก็พิจารณาเอาเองแล้วกันว่ามันหลอกพี่ใหญ่ยังไงบ้างทั้งฝ่ายผมกับนันอินขนาดนั้นน่ะเป็นฝ่ายตามล่ามันอยู่ แล้วก็ไม่ได้เพียงพลัตกเป็นเฉลยของมันเลยแต่มันกลับลวงว่าผมสองคนตกอยู่ในก ร, ร ม, มือของมันแล้วสุดแต่ว่ามันจะปล่อยคืนมาให้เมื่อไรไอ้นี่อุบายร้ายนะแต่มันก็ไม่ได้ฉลาดไปกว่าพวกเราสักแค่ไหนหรอกอนุชาเว้นระยะโยนท่อนฟืนเข้าไปในกองเพิ่มเติมตาจับนิ่งอยู่ที่กองไฟที่ลุกโชนสว่างสวัยไปทั่วบริเวณ เสียงต่อไปเป็นเสียงพึงพรรมพำเหมือนจะรำพึงว่าจิตกลางคานางน้ำนี้เป็นน้ำที่พวกเราทุกคนแแววเสียงเรียกมาอย่างลึกลับก่อนที่จะหลับกันไปเมื่อหัวค่านี่แล้วก่อนที่น้ําตกเบื้องบนจะแหกุํานกไหลกระหน่าลงมาน้อยเองจะได้ยินหรือเปล่านะเราไม่รู้ได้ แต่ดูท่าเขาตอนนั้นไม่ได้แสดงความสนใจอะไรเลยตรงข้ามกลับบอกให้พวกเราที่ลุกขึ้นมาจับฟังเสียงให้นอนซะน้อยอาจรู้ดีกว่าเราก็เป็นได้มุ่งเทือกเขาพระศิวะพร้อมลุงอินตามลำพังสองคนคราวก่อนโ น, น้นผมยังไม่มีเรื่องหนักคำหมองถึงขนาดนี้มาก่อนอ่ะแล้วพี่ใหญ่กระชายันคิดยังไง ในคำพูดแปลกประหลาดของมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ชยันเบ้ปากยักไหลไม่พูดอะไรแต่เชษฐาตอบมาอย่างใช้ความคิดว่าก็บอกแล้วไงว่าตอนนี้ยังคิดอะไรหรือเดาอะไรไม่ถูกทั้งนั้นแหละคำพูดของมันไรอาจเป็นความลับดำมืดตลอดไปชนิดหาข้อเฉลยไม่ได้ ือมันอาจจะเปิดเผยตัวเองออกมาภายหลังถ้าเราไม่ตายกันซะก่อนก็คงจะได้รู้แต่ปัญหาหนักของเราในขณะนี้ก็คือน้อยได้หายไปจริงๆครับก็เห็นๆกันอยู่แล้วนี่ครับว่าน้อยพลาดเลยถูกน้ำพัดลงไปเขาไปกับกระแสน้ำเชี่ยวแรงไม่ได้ไปเพราะมันไรจับออกไปแล้วกระแสน้ำที่โกรกแรงขนาดนั้น ต่อให้ไอ้มันไตรหรือไพรพลของมันก็ตามถ้าไปขวางเส้นทางอยู่ก็ต้องถูกพัดปลิวไปเช่นกันช่างตั้งขโขลงยังทานไม่ได้เลยนี่กลางแกจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนาะชัยันแยงขึ้นมันยังไม่มีวิธีการใดที่จะแยกน้อยให้ออกไปจากพวกเราได้มันก็เลยหาทางให้เกิดเป็นกระแสน้ําพัดลงมา จุดประสงค์แรกก็คือเกิดความปั่นป่วนพินาศของฝ่ายเราแต่พวกเราคนอื่นๆรอดพ้นได้จะมีก็แต่น้อยคนเดียวที่ถูกน้ําพัดหายไปซึ่งนั่นก็เข้ากระจตนาของมันอย่างพอมเหมาะพอเจาะคือสามารถแยกน้อยออกไปจากคณะได้แล้วแล้วเราก็ไม่สามารถทายอนาคตน้อยได้ถูกเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงมั่งแล้วก็อยู่ที่ไหนเขาอาจจะได้รับอันตรายอาจจะไปพัดหลงอยู่ที่ไหนคนเดียว แล้วก็อาจจะตกอยู่ในเงื้อมมือของมันมันล้วนเป็นไปได้ทั้งนั้นเน่ยความนึกคิดเดาเหตุการณ์ไปต่างๆนานาเหล่านี้มันเป็นความทุกข์ของเราในขณะนี้ไม่ใช่เหรอน้อยจะมีอดีตชาติเป็นจิตรางคณางหรือไม่จะมีความเป็นมาเป็นยังไงเราไม่สนใจในตอนนี้เรารู้แต่เพียงว่าเขาเป็นน้องสาวของเราและเราจะต้องเอาตัวเขากลับคืนมา ใส่วนเจตจำนงของมันที่ประกาศชัดก็คือมันจะต้องเอาตัวน้อยไปให้ได้โดยข้ออ้างของมันยังไงก็แล้วแต่เถอะซึ่งเรายอมให้ไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเราที่จะยอมเช่นนั้นอ่ะแล้วเราจะทำอะไรได้ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อ่ะอนุชาย้อนเอออยากเถียงอะไรกันดีกว่านะ พี่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้สมองและความชำนาญในด้านต่างๆของแต่ละคนที่ร่วมกันอยู่นี่เข้ามารวมกันสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนก็ทำได้อย่างดีที่สุดแล้วอีกไม่นานตะวันก็จะขึ้นแล้วค่อยหาลูกทางกันใหม่ตอนนี้เราห้าคนพักกันอยู่ตรงนี้แหละส่วนพวกลูกหาคกอยคุมข้าวของอยู่ในซอกถ้ำนั่นจะเอาอยัางไงกันต่อไปก็ค่อยว่ากันเมื่อถึงเวลาเช้าแล้วกัน กล่าวจบเชืาก็ยกวิทยุขึ้นเรียกขึ้นไปยังหัวหน้าลูกหาในชวนในชวนได้ยินหรือเปล่าครับผมได้ยินครับเจ้านายอ่ะทุกคนอยู่ข้างบนนั่นต่อไปก่อนนะ ทังนี้พวกเราห้าคนจะพักรอแสงตะวันขึ้นอยู่ตรงที่นนานอินและพรนชดพักนี่จะยังไม่กลับขึ้นไปละรอให้เช้าแล้วจะสั่งต่อไปว่าให้ทำยังไงบ้างแล้วให้เปิดวิทยุเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลานะเผื่อเรียกขึ้นไปอีกเมื่อไหร่จะได้ยินได้ยินชัดเจนนะครับผมเสียงตอบรับลงมาเทถาบอกเลิก แล้วเน็บวิทยุที่เข็มขัดเอ็นหลังพิงก้อนหินอันเย็นเทียบหลับตาลงอย่างเหน็บเหนื่อยอ่อนเพลียในขณะที่ชายันและอนุชาปรึกษาหารืออะไรกันเบาๆส่วนนั้นอิงก็จับคู่กกระินดูเหมือนครูพรานกำลังสอบถามถึงลักษณะภูมิประเทศของนิทรานครและเรื่องแวดล้อมอื่นๆโดยพยายามจะเข้นเอารายละเอียด ให้ได้มากที่สุดเมื่อพี่ใหญ่ของคณะเงียบสงบลงไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าจะจมอยู่ในพวังตามลำพังหรือผืนงีบหลับอนุชากระเถิบเข้ามาชิชัยยันจนไหลเบียดกันตามปกติแล้วอดีตพรานชดนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้จะไม่ค่อยมีปัญหาหรือข้อซักถามอะไรมากนัก ที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้องและเพื่อนไปนําตัวกลับออกมาสู่โลกภายนอกได้การสนทนาสอบซักถามถึงเรื่องราวของกันและกันในเส้นทางเดินไปสู่เทือกเขาพระศิวะอนิชาดูเหมือนจะไม่สนใจที่จะได้รายละเอียดอะไรมากนะักเมื่อฝ่ายพี่น้องเล่าให้ฟังเขาก็ฟังโดยไม่สู้จะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าหากฝ่ายตนเป็นฝ่ายถูกสอบซักบ้างก็จะบอกแต่เพียงคร่าวๆปัดไปซะ ไม่ประสงค์จะแจกแจงอะไรมากโดยคิดเสว่าเป็นเรื่องของความฝันร้ายไปชั่วขณะเพราะฉะนั้นการสอบสวนทวนความระหว่างทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายสูญหายในครั้งนั้นและฝ่ายติดตามจึงเป็นสิ่งที่ฝ่ายแรกจะไม่ประสงค์รับรู้อะไรทั้งสิ้นนิสัยของอนุชาเป็นอย่างนั้นเอกดูผาดผาดว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจหยาบลวกไม่เอาใจใส่กับอะไรทั้งสิ้น เรื่องมาแล้วมาแล้วก็ไม่อยากจะแคะไขขึ้นมาคิดให้เปลืองสมองอีกบางทีอาจเป็นได้ในข้อที่ว่าตัวเขาเองไม่เคยคิดเลยว่าในเส้นทางอันเปรียบประดุดความฝันรายนี้ตนจะต้องหวนกลับมาเดินอยู่อีกครั้งพี่น้องเล่าหรือพนาอะไรให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่ผจญสารพัดภัยระหว่างติดตามเขาจึงเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาหมดสาหรับอนุชา และเรื่องราวมันก็มีอยู่หลายเหตุการณ์หลายตอนจนเขาจดจำไม่ไหวแต่มาคืนนี้ณนะบัดนี้อนุชาวราริ์มีอาการเริ่มไหวตัวขึ้นมาแล้วโดวยเฉพาะเรื่องราวของนิทรานครอันกำลังเป็นปัญหาหนักเฉพาะหนะ้าเขาอาจไม่กล้าซักถามอะไรพี่ชายใหญ่เพราะที่แล้วมาตนเองได้แสดงถึงความไม่สู้จะใส่ใจนะัก แต่เมื่อเห็นว่าเชษฐา ง, งี่ไปแล้วจึงเริ่มประกบชยันทันทีมันเป็นหน้าที่ของเขาแล้วที่จะต้องแสวงหาข้อมูลโดยละเอียดที่สุดเพื่อนำมาประเมินในการวางแผนแก้ปัญหาโดยเฉพาะในเมื่อดารินวราฤทธิ์อันเป็นน้องสาวเล็กได้สูญหายไปแล้วเช่นนี้ชัยยันเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะเข้นความจริงเท่าที่ปรากฏมาแล้ว ออกมาได้มากที่สุดเพราะไม่กล้าสอบซักไล่เลียงเอาจากพี่ชายใหญ่กรีจะถูกตำหนิในความที่ตนเองไม่ได้แสดงความเอาใจใส่มาตั้งแต่ต้นซ้ำบางคัน่ะก็ยังแสดงอาการยิ้มเยาะเหมือนไม่อยากจะเชื่อถือซึ่งในครั้งนั้นทั้งเชษฐาและดารินผู้เล่าความก็ยังเกิดความรู้สึกหมันใส ย, ยุติการเล่าเรื่องราวสักบางคันบ่อยครั้ง พอบันที่ในตึกในกระติกดื่มเต็มอึกแล้วก็เริ่มด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาว่าชายันแกยังไม่ง่วงไม่ใช่เหรอเฮ้ยง่วงหอกอะไรอ่ะในสถานการณ์แบบนี้แกจะนอนก็นอนเหอะฉันจะเฝ้ายามเองอนุชาชำเลืองไปทางพี่ชายใหญ่เห็นอย่างเอน็นหลังพิงหินเอาหมวกกลุบ ป, ปิดหน้านิ่งอยู่ตามเดิมนี่ทั้งนั้น แกจะช่วยความกระจ่างอะไรแกฉันสักหน่อยได้ไหมเรามาคุยกันข้าวเวลาเพื่อรอแสงตะวันฉันก็นอนไม่ลงเหมือนกันวะแกจะคุยอะไรก็อยากให้แกเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับนทิทรานครที่แกพี่ใหญ่แล้วก็น้อยได้เคยไปชิญมาแล้วเพราะฉันต้องการข้อมูลยอย่างแท้จริงของมันมากกว่าที่เคยรู้คร่าวๆมาก่อน เพื่อจะได้ดำเนินการได้ถูกชยันเหลือบตามองหน้าแล้วแยกเขี้ยวความจริงเราทุกคนที่เผชิญหน้ากันมาก็พยายามจะอธิบายให้แกฟังอย่างละเอียดที่สุดแล้วนะับตั้งแต่เราออกพ้นจากป่ากลับถึงบ้านถึงเมืองในโลกศิวิไลแต่แกเองไม่สนใจจนหน้า เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่แกจะมาต่อว่าอะไรฉช่แล้วแล้วขณะนี้ฉันก็อยู่ในฐานะพรานนำทางถ้าฉันไม่ได้ข้อมูลมากพอฉันอาจพาพวกเราไปสู่ความหายนะได้ง่ายๆเอาล่ะยอมรับว่าเป็นความช่วยของฉันเลที่ไม่สนใจในเรื่องนี้เท่าที่ควรก็ไม่คิดนีว่ว่าเราจะต้องมาพบเหตุการณ์ที่พวกแกเคยพบซ้าอีกครั้งอเออมันเกือบจะสายไปแล้วไมล่ะ างสมัยที่พวกเราพยายามจะเล่าเ ก, ก็บฟังตอนนั้นเราอยู่กันครบพร้อมหน้าไม่ว่าจะเป็นเชษดถาน้อยชั้นเมหรือรพินแล้วก็แง่ทรา ย, ายซึ่งแต่ละคนพวกเราก็ล้วนประเชิญกัมมันมาในแง่มุมต่างๆไม่เหมือนกันเพราะต่างฝ่ายก็แยกกันออกไปแล้วก็พบเห็นกันคนุณ ล, ลักษณะถ้าแกตั้งคำถามแบบนี้โดยพร้อมหน้ากันทุกคน แกก็จะได้รายละเอียดมากที่สุดเพราะทุกคนจะช่วยกันบอกแกได้ในทุกแน่ทุกมุมเท่าที่ต่างฝ่ายต่างพบเห็นไอ้ตอนนี้กระดันมาถามฉันเพียงคนเดียวแกก็อาจจะได้ข้อความที่ไม่กระจ่างนักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันว่าคนที่จะให้รายละเอียดดีที่สุดก็น้อยอย่างแหละไอ้ตอนนี้เ็าสูญหายไปแล้วนี่ ชัยยันไม่วายต่อว่าในความไม่เคยความสนใจต่อเรื่องราวของนิทานครเท่าที่ควรของอนุชาเออนะถ้าแกจะถือเป็นความผิดชนิดไม่เอาไหนของฉันก็นยอมสารภาพวะจะ่ขอให้รู้ด้วยนะถ้าหมัวจะมาเกี่ยงงอนกันอยู่แบบนี้พวกเราทั้งหมดก็มีแต่จะพังกับพังแล้วก็อาจจะไม่ได้ตัวน้อยคืนด้วยเอาเเอาแ จันจะพยายามให้รายละเอียดของนิทานครและมันตรให้มากที่สุดโดยจะสรุปประมวลเอาจากเท่าที่พบเห็นด้วยตนเองและโดยคำบอกเล่าของพวกเราคนอื่นๆด้วยและชัยันก็บรรยายถึงความเป็นมาของนครประหลาดรวมทั้งเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมดให้อนุชาทราบตั้งแต่แรกเริ่มผจญหน้ากับตะขาบใหญ่ค้างข่าวยักษ์พวกผีกองกอยและซา ของนักบวชมันไร่อนุชานั่งอัดบุรีหนักตัวต่อตัวสะดับฟังอย่างใจตรองลึกซึ้งและเอาใจใส่เต็มที่เมื่อถึงเหตุการณ์ตอนใดที่ยังคลางแคลงอยู่ก็จะถามไปเป็นระยะระยะน้ำเสียงพูดของบุคคลทั้งสองกระซิบกันแต่เพียงแถวเบ า, เ, บาเท่านั้น เรื่องราวความเป็นมาของนิทรานครฉันหมายถึงย้อนหลังไปในอดีตการน้อยเป็นคนเล่าโดยอ้างว่ารู้เห็นจากความฝันใช่ไหมอ น, อนุชาถามแทรกขึ้นก็สอบถามจากน้อยในตอนนั้นก็ไม่เชิงว่าจะหลับฝันไปนะน้อยดูเหมือนจะถูกสะกดให้มองเห็นภาพย้อนหลังในอดีตจากวิญญาณของขุนพลวรมัน ที่ต้องการให้พวกเราช่วยเหลืออยู่ในขณะนั้นขุนพลวรมันที่เข้ามาสิงอยู่ในร่างของแง่ทรายตามที่เล่าฮะเอาละเอาละเมื่อน้อยได้รับรู้ในเรื่องราวความเป็นไปของนคร น, นี้อันเกี่ยวกับความทรยศหักหลังของปุโรหิต ท, ที่มีนามว่ามันไรผู้เรืองเวทชิงรักหักสวัสดิ์กับผลคุณปรดวรมันโดยมีเจ้าหญิงพันธุมอวดีเป็นเดิมพันจนกระทั่งในที่สุดวรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ นครถล่มล่มจมมันไรในสภาพของผีร้ายเข้าครอบงำอาณาจักรสา พ, พันธุมวดีและประชาชนชาวนครทั้งหลายให้กลายเป็นทาตในกำ ม, มือมาหลายกลับหลายกันจนกระทั่งระพินนำพวกแกทั้งหมดไปทำลายล้างอาถรรพ์ลงได้ชั่วขณะปลดปล่อยทุกวิญ ญ, ญาณเป็นอิสระพ้นบ่วงกรรมไปและน้อยไม่ได้เล่าถึงเรื่องราวของเจ้าหญิงอีกคนหนึ่งของนครเดียวกัน ที่มีนามว่าจิตรางคณางอันเป็นเชตะปักกินีของพันธุมวดีบ้างเหรอน้อยรู้เรื่องของจิตรางคณางในขณะนั้นหรือเปล่าชายันเองก็มีสีหน้ามึนงงสั่นศีสั่งไม่นะไม่เคยปรากฏนามหรือเรื่องราวของเจ้าหญิงจิตรางคณางเข้ามาผูกพันด้วยในตอนนั้นถ้ามีฉันว่าน้อยก็คงจะต้องเล่าเราฟังแล้วล่ะ เออแล้วจิตรางขนังนี่ผูกขึ้นมาได้ยังไงวะในการกล่าวอ้างของมันไรตอนเนี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับของอดีตนานแสนนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นน่ะน้อยเองก็เคยถูกโปโรหิตมันไรหรือไอ้จอมผีดิบนั่นสะกดลักพาตัวไปด้วยไม่ใช่เหรอแล้วก็หลุดรอดออกมาได้โดยการช่วยเหลือของขุนพลบรมัน ในคราบของร่างแง้ทรายเออใช่น้อยเล่ายัางไงตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วมาเผชิญหน้ากับมันไรมันไม่ได้บอกอะไรเขาเกี่ยวกับตัวเขาเองมั่งเลยไงเมื่อน้อยไม่ได้เล่าหรือเอ่ยถึงอะไรในเรื่องนี้ก็แปลว่ า, วามันจะต้องไม่ได้เอ่ยอ้างอะไรให้เขารู้ในยุคนั้นนะทีเรื่องราวมันจะต้องมีอะไรซับซ้อนมากกว่า เท่าที่วิญญาณของวรมันมาเล่าบอกความไม่น้อยรู้แต่เมื่อหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ตอนนั้นมันก็สอเจตนาได้ชัดเจนมาก่อนว่ามันก็กะเจ้าตัวน้อยไปตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วละ่ะแล้วมาคราวนี้มันก็จ้องที่เจ้าตัวน้อยไปได้อีกละอืมฉันว่ามีอะไรน่าคิดมากนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันเองแม้จะไม่ได้ประชิญมาด้วยในครั้งนั้น แต่ก็รู้สึกว่ามันเจตนาเจาะจงที่จะเอาตัวน้อยให้ได้เหมือนเช่นที่แกเข้าใจเหมือนกันครั้งแรกก็เข้าใจว่าเกิดจากความพยายามอาฆาตที่น้อยเข้าไปเป็นคนถอนกรดอันปักตรึงไว้กับคำภีรศักดิ์สิทธิ์ของมันเป็นผลให้ฤทธิดเดชของมันเสื่อมคลายลงชั่วขณะจึงกระทั่งมันเพีียงพล้ําพ่ายแพ้ไปในคราวนั้นพอมันรวบรวมพลังกรดของมันได้อีกครั้ง พร้อมทั้งอิทธิฤทธิวิทยาอาคมที่มันมีอยู่มันก็กลับฟื้นคืนสภาพเดิมขึ้นมาได้อีกเดี๋ยเข้าไปสิงอยู่ในซากอื่นต่อไปสุดแต่มันจะเลือกดักรอคอยเล่นงานทั้งระพินและฝ่ายเราอยู่ซึ่งแน่ละมันก็ต้องถือว่าเป็นศัตรูสําคัญทีเดียวแต่มันก็ยังอุตสาหมีข้อแม้ให้เลือกตามที่แกกับพี่ใหญ่ได้ยินมันพูดเมื่อครู่ใหญ่นี่ว่าถ้ายอมสละน้อยให้กับมัน มันก็จะยุติการจองเวรพวกเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีข้าวเงื่อนอยู่บ้างเหมือนกันว่าในอดีตการน้อยมีกรรมเก่าอะไรเกี่ยวพันอยู่กับมันชยันเบะปากยักไหลเฮ้อไอ้ชาปีกี้โกหกมากไปเลย ก, กิเลสตันหากวจะไปเชื่ออะไรกับมันได้วะมันบอกว่ามันจะยอมละเวรพวกเราทุกคน แต่พอเชี่ยถาสักถามไปถึงระพินมันก็ไม่ยอมตกลงอะไรด้วยทั้งสิน้นมันกะจะเล่นงานระพินด้วยรายนั้นนะ่ะดูเหมือนมันจะถือเป็นมหาศัตรูหมายเลขหนึ่งที่ต้องจองลางจองผลาให้ได้เหนือใครทีเดียวแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าขนาดนี้นะ่ะมันดําเนินการกับระพินไปถึงไหนแล้วอืมรายนั้นก็อย่างที่ลุงอินบอกไว้นะั่นแหละไม่ต้องห่วงหรอก ไงไงมันก็ทำอะไรเขาได้ยากและโอกาสที่มันจะพินาศเป็นครั้งที่สองก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยถ้ายังขืนติดตามรังควานจองเวรต่อไปแต่เรื่องอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าการที่มันมาอ้างว่าน้อยคือจิตรางขนางนี่สิอันตรายยิ่งใหญ่ที่สุดของน้อยและพวกเราทุกคนนี่ใช่ยัน แก ค, คิดว่าระพินจะรู้ตื่นลึกหนาบางอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่มันอ้างถึงกิตรางคานางมั่งไหมเนี่ยโหฉันเดาอะไรไม่ถูกหรอกเดี๋ยวว่าแต่เรื่องนี้เลยแม้ตัวระพินเองขณะนี้จะเป็นตายรายดีอยู่ที่ไหนมั่งฉันยังไม่กล้าดเดาเหมือนกันคนเราอะต่อให้เก่งตาสามารถสักขนาดไหนทำอะไรได้สำเร็จมีโชคใช้มาได้เก้าสิบเก้าครั้งอาจเป็นครั้งที่ร้อยก็ได้ ที่จะต้องเป็นฝ่ายพลาดขึ้นมามั่งอานุชาครางพยักหน้ามันก็สุดแล้วแต่ตำเก่าของแต่ละคนนะ่ะนะแต่การบอกเล่าโดยละเอียดของแกมันก็ทำให้ฉันได้ประโยชน์มากทีเดียวในด้านเตรียมรับมือกับมันต่อไปเสียดายเวลาที่ผ่านไปปล่เปล่าโดยที่ฉันไม่ได้ความสนใจกับเรื่องนี้จริงจังมาก่อนไม่งั้นเราจะไม่เสียทีมันถึงขนาดนี้หรอก แกเองก็ประมาทต่อเหตุการณ์เกินไปอ่ะกลางแกถือว่าแกมีฝีมืออยู่ในเรื่องป่าดงดิบนี่แล้วก็หมืมใจที่ได้ลุงอินอันเป็นพรานคู่ใจของแกร่วมเดินทางมาครั้งนี้น่วยก็เลยทำให้คิดว่าทุกอย่างไม่น่าจะมีปัญหาชัยันตําำหนิเอาซึ่งซึ่งหน้าอนุชานิ่งเป็นดุจสนีไปครู่เหมือนจะยอมรับโดยดีไม่แก้ตัวหรือโต้แย้งอะไรทั้งสิ้น บางทีชายันก็น่าจะกล่าวถูกต้องแล้วในใจเขาบอกกับตนเองเช่นนั้นแต่ต่อมาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วต่ำว่าฉันก็มัวแต่ไปคิดห่วงถึงเรื่องการติดตามระพินได้ทันหรือได้พบหรือไม่แล้วก็ห่วงในอันตรายอันจะเกิดเกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับกลายเป็นเครื่องมือของไอ้พวก C I A ซึ่งมันอาจจะหักหลังเขาเมื่อไหร่ก็ได้ ก็เลยไม่ได้คิดห่วงในเรื่องัยลีลับในป่าหลงสำรวจนี่เลยเออขอถามอีกสักสองสามคำถามได้ไหมวะในสิ่งที่ฉันยังคล่องใจและคิดว่าควรจะได้รู้ไว้ถามมาถามไม่พอใจให้หมดเลยฉันจะตอบแกทุกคำถามเท่าที่ฉันรู้เพราะบอกแล้วไงว่ายังไงก็ไม่ง่วงหรือคิดอยากจะพักอะไรทั้งสิ้นอ่ะตอนนี้ อดิตพรานชดแปลไปยังฝั่งตรงข้ามของกองไฟก็ยังเห็นพรานครูผู้อาวุโสกำลังพูดอะไรซุบซิบในเชิงสอบซักปรึกษาหารือกับขยิงอยู่อย่างไม่ลดละเช่นกันตัวนั้นอินเองก็กำลังต้องการแสวงหาข่าวเกี่ยวกับความเป็นมาของจอมขมังเวทมันไรอย่างจริงจังนี่ฉันอยากจะรู้ว่า ขณะที่มันพูดโต้อตอบอยู่กับเชิฐาแล้วแกเมื่อครู่ใหญ่ๆเนี่ยก่อนการยิงกันขนานใหญ่มันพูดกับแกและเชิฐาด้วยภาษาอะไรทำไมถึงได้ฟังกันเข้าใจรู้เรื่องฉันก็บอกไม่ถูกนะในเรื่องนี้แล้วถ้าแกถามเชิฐา ก, ก, ก็ก็คงตอบไม่ได้เหมือนกันแหละว่ามันติดต่อกับเราด้วยภาษาอะไรแต่เราก็เข้าใจมันดีที่สุด เท่ากับที่เมื่อเราพูภาษาของเราออกไปมันก็เข้าใจเหมือนกันก็เหมือนสมัยที่เราเข้าไปถึงมรกรนะครของแง่ายนยั่นแหละพวกเรานะ่ยพูดภาษาไทยพวกนั้นก็พูดภาษากูโบสหยิ่งก็ปุกะเรียงสร้างปาเนะ่ยพูดพมา่ามาเรียมียชั้นนะ่ยพูดอังกฤษแต่เราทุกคนก็สามารถรู้เรื่องกันได้ทุกฝ่ายมันเหมือนกับว่ามีอะไรพิเศษสักอย่างหนึ่ง เป็นใคลยๆตัวแปลงภาษาติดอยู่ในโตรของพวกเราทุกคนรวมทั้งพวกนั้นด้วยทําให้สามารถเข้าใจกันได้อย่างอัศจรรย์ทั้งๆที่ต่างก็พูดภาษาของตัวเองซึ่งแกก็ประสกบกรมากับตัวเองแล้วในครั้งนั้ น, นมิฉนั้นแกจะพูดกับพวกมรกรกนครในยุคก่อนหน้าที่พวกเราจะตามเข้าไปช่วยเหลือได้ทันยังไงอนุชาพยักหน้าลงนิดหนึ่งถอดถุงมือหนังอันเปียกน้าออก แล้วเอามืออันเย็นซีดอังเปลวไฟเอาละเอาละ่ะฉันพอจะเข้าใจละมันเป็นการติดต่อกันทางกระแสจิตนั่นเองก็แบบเดียวกับที่ฉันเคยพบกวาวยามนุษย์ยุคขินเจ้าแห่งลิงใหญ่ทั้งหลายที่ภูเขานิลการพวกแกตามไปที่หลังก็สามารถจะติดต่อผู้จารู้เรื่องกวายาได้เหมือนกันตามที่เคยเล่าให้ฟัง แล้เสียงโหยหวย ห, วหน้าขนลุกที่มันเรียกนามจิตรางคนางให้เราได้ยินก่อนหลับเมื่อหัวค่ามันก็ฟังชัดเจนเหลือเกินทางด้านชั้นระหว่างที่ติดตามพวกมันไปเพื่อจะเอาหีบเครื่องเวชพัณฑ์คืนไม่ได้มีการติดต่อผู้จาอะไรกับพวกมันเลยแล้วมันก็ไม่ได้พยายามติดต่อมาด้วยเพียงแต่สอเจตนาที่จะเอาหีบเวชภัณฑ์ไปให้ได้เท่านั้นเออ อีตอนนั้นน่ะมันหาดล่อกแกกระลุงอินให้ออกจากที่พักที่นี่เพื่อไปสู่จุดดักอันตรายอะไรสักอย่างก็ได้ไงแต่บังเอิญโชคดีอ่ะแกไปกระลุงอินแล้วก็ทันในเลขกลนของมันกิงเอของที่มันฉวยไปคืนมาได้มันฉลาดมากในการเอาหีบเครื่องยาเราไปคือหนึ่งถ้าแกกระลุงอินตามก็แปลว่ามันพร้อมที่จะดักเล่นงานที่จุดใดจุดหนึ่ง อันจะทำให้มันได้เปรียบกว่าที่แกอยู่ตรงนี้ 2. ถ้าไม่ตามมันก็ขโมยตัดใจสำคัญของเราไปเป็นการตัดกำลังต่อไปถ้าใครเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บยังไงก็ปราศจากยารักษาเป็นการก่อวินาศกรรมตัดกำลังพวกเรานี่ยิ่งมานั่งพิจารณาฉันก็ยิ่งมองเห็นอะไรกว้างขวางไปเรื่อยๆนะในเล่เพทูบายรายของไอ้มันไรนี่ สมมุตินะสมมุติว่าเราสามารถทําลายซากตัวนักรบที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งมันใจยึดครองเข้าสิงอยู่ในขณะ น, นี้ฉันว่ามันก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรนักหรอกเพราะมันก็จะถอดวิญญาณไปเข้าเลือกสิงในซากอื่นๆสุดแต่มันจะเลือ ก, กตามใจชอบต่อไปอ่ะอนุชา ก, กล่าวเหมือนจะบ่นกับตนเองเออก็ใช่แหละ ฉันก็แช่ถาก็เข้าใจอย่างนั้น่ะแต่ถึงเช่นนั้นเราก็พยายามอย่างที่สุดที่จะยิงทํำลายไปที่ซากสําคัญของมันให้ได้แต่มันก็ไม่โผล่ไม่เห็นถนัดถนัดเหมือนเหมือนกับที่มันโผล่หลอกล่อแก่กระลุงอินเหมือนกัน น, กกน่เนนะเออเมื่อกี้เนี่ยฉันก็หารือกระลุงอินดูแล้วนะเราจะต้องหาวิธีอะไรสักอย่างสกัดกั้นอาถรรพ์ร้ายของมัน โดยไม่วิญญาณของมันเข้าไปสิงอยู่ในร่างใดๆ ไ, ได้อีกเลยซึ่งนันอินเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่เรารู้ว่าวิธีแบบนี้ที่เราคิดไว้นั้นมันเป็นแบบไหนกันแน่ครั้งก่อนนี่รพินกับคนของเขาทําลายล้างมันได้อย่างเฉียบขาดแต่ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยมีวิญญาณของบรมันออกมากระซิบบอกความลับให้แต่ทว่าคราวนี้เราจะใช้อะไรเป็นเครื่องชี้แนะบอกลู่ทางให้ถ้ายังขืนลบกับมันไปแบบนี้เรื่อยๆต่อให้เราบุกเข้าไปจนถึงนิทรานครของมันก็ตามเราก็ทำลายมันไม่ได้หมดหรอกให้มีกระสุนอีกหมื่นๆมื่นนับก็หยุดไพร่พลหุ่นยนต์เป็นซากมัมมี่ที่มันไปขนออกจากสุสานในเมืองรางนั้นไม่หมดนะ เออก็หนีแหละคือความหนักใจของฉันน่ะก็อย่างที่เล่าไปฟังแล้วไงฉันกับเมยเคยเข้าไปติดถังอยู่ในสูสารใต้ภูเขาในบริเวณเมืองร้างข้างในอะ่ะแต่ไม่ได้สกอาบยาสภาพกลายเป็นท่อนหินแล้วอายุมันก็มากใชจนหินย้อยลงมาเคลือบรือหยดงอกลงมาต่อเชื่อมกับซากเหล่านั้นนั่นอะมันเป็นแต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ฉันเห็นแต่ยังไม่รู้เลย วสุสารของมันจะมีอยู่อีกสักกี่แห่งมาคิดดูเดี๋ยวนี้นะก็อยากจะเชื่อว่ามันเต็มไปหมดชนิดนับไม่ถ้วนทีเดียวพระนิทานครนะ่ะมันเป็นเมืองผีดิบทั้งเมืองอีกอย่างนึงมันก็อาจจะขุนออกมาจากสุสารนํามาแอบซุ่มกระจัดกระจายไว้ตามป่าทั่วๆไปแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสิงนําขึ้นมาใช้งานได้ทุกขนาดไม่เฉพาะแต่จะเรียกออกมาจากสุสารเท่านั้น มิหนังซำไรไปกว่านั้นมันยังใช้มนุษคชขสารเรียกช้างทั้งป่าให้มาเป็นกองกําลังต่อต้านเข็นฆ่าราวีกระเราได้อีกด้วยมันมาคราวนี้เนะ่ยมันร้ายหนักกว่าครั้งก่อนมากนะเพราะครั้งก่อนอะเราเพียงแค่ทำลายซากนักบวชของมันและทำลายเสือโคร่งดำเท่านั้นมันก็หมดฤทธิ์แล้วนี่เราจะยิงซากมัมมี่ก็ยิงไป มันก็แค่เอาซากมาแลกกระปืนเราหนึ่งซากต่อหนึกนัดจะยิงช้างป่าที่อาคมของมันลงสิงก็เท่ากับล้มช้างไปหนึ่งตัวเป็นช้างที่มีชีวิตแต่ต้องมนต์สะกดแล้วก็พุ่งเข้ามาหาเราอย่างบ้าคลั่งไม่กลัวตายโดยชีวิตสัตว์ใหญ่มาตายให้กับผลประโยชน์ของมันมันโหดเยี่ยมหินชาติเหลือกำลังบอกตรงๆรงะ ทุกครั้งที่ฉันยิงช้างที่ต้องมนสะกดล้มลงฉันอนาจใจจริงๆสัตว์ป่าเหล่านี้มันไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราเลยแต่ก็ต้องมาล้มตายเจ็บปวดเพราะถูกมนบังคับแท้ๆและถ้ามันยังคิดจะโจมตีเราโดยวิธีนี้ไปเรื่อยๆเราก็ต้องเพี่ยงพร้ำเข้าแน่ๆสักโอกาสนะึงเพราะฉะนั้น ฉันว่าแกลองปรึกษาหลวงอินให้ดีเถอะว่าจะสกัดวิชาอาคมอิทธิฤทธิ์ของมันได้ยังไงไอ้เท่าที่แล้วมานะ่มันเป็นการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปแค่ครั้งครั้งเท่านั้นนะอนุชาฟาดกำปั้นลงกับฝ่ามือขอ้างนึงรับเสียงหนักๆว่าใช่ใช่ใ ช, ใช่มันจะต้องแก้ก้นกันให้ถูกหลักไม่ใช่เอาลูกปืนต่อต้านมันอย่างที่เราทาทุกวันนี้ ลุงอินที่ว่าอาคมแตกกล้าแล้วแต่ก็ยังคลำทางไม่ถูกเลยฉันว่าค่อยๆสังเกตค่อยๆจับเคล็ดไปเถอะมันก็อาจจะมีอะไรเป็นเส้นผมบงังภูเขาอยู่นิดเดียวก็ได้เมื่อไม่มีระพินไม่มีมมแง่ทายยังไงยังไงพวกเราทั้งหมดก็ต้องฝากความหวังไว้กับแก่และลุงอินสองคนเท่านั้นะ่ะมันเป็นปีศาจร้ายหรือมาน แต่พวกเราทุกคนก็ยืนอยู่ใต้เงาปกป้องของอาราหาันตเจ้าผีมันจะชนะพระให้มันรู้ไปอดีตพรานชดเม้มริมฝีปากแน่เราทุกคนมีเคราะห์กรรมร่วมกันไม่ว่าพวกเราที่มาด้วยกันนี่หรือพวกกระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วถึงได้มาเผชิญกับสิ่งอันพิสดานลี้ลับจนสุดที่จะหาข้อพิสูจน์ได้อย่างนี้ ไอ้ฉันเองก็เก่งแต่เดินดงแก่รอยล่าสัตว์ไม่เคยสนใจว่ารำเรียนในเรื่องคาถาอาคมมืดมาก่อนส่วนลุงอินกแกก็แก่จนเรื่อๆือไปซะแล้วและแกก็พูด ก, กับฉันเสมอว่าพรานป่าที่ไม่ยอมเลิกชีวิตพรานผลที่สุดก็ต้องตายด้วยความอาถรรพ์ของป่านะี่ไม่ช้าก็เร็วไม่ว่าจะเก่งสักแค่ไหนแล้วอนุชาก็ขยี้จมูกแรง พึธรรมต่อมาขนาดคนที่ท่องชินะบัญชรได้จบมียานพิเศษสามารถติดต่อกับสิ่งศั ก, ศ ก, ศกดิ์สิทธิ์ได้ก็ยังกลายเป็นคนสูญหายไปซะและ้วในคืนนี้ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนนั่นเป็นการรำพันออกมาจากใจจริงแก่นแท้ของอนุชา เป็นครั้งแรก